ในเรื่องที่ไม่ผิดทำนองคลองทมท่านอยู่วัดพรมสาครยังไม่ทันจะครบพรนษาก็ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชราการจากไปของหลวงตายังความเศร้าโศกเสียใจให้บังเกิดขึ้นในหมู่ลูกหลานทุกท่วนหน้าโดยรู้สึกขาดที่พึ่งพิงทางใจมียายคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้แสดงอาการโศกเศร้าให้ปรากฏ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 ในพระสงฆ์ไม่เสื่อมคลายหนึ่งและความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์หนึ่งด้วยเหตุนี้จึงเป็นผู้ละเสได้ซึ่งสังโยชน์เบื้องต่ำสามอย่างได้แก่สักยะทิฐิวิจิกิจฉาและสีลับพัตะปามา m สพระโสดาบันเป็นผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานตัดขาดจากอบายพุงได้อย่างเด็ดขาด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 ตั้งแต่อายุครบ13แม้จะใช้นายนำหน้าชื่อแทนเด็กชายหากเขาก็ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองโตเป็นผู้ใหญ่ยังคงเล่นสนุกสนานซุกซนเหมือนเด็กๆที่ร้ายกว่านั้นคื อ, อยังเปลยกายกระโดดน้ำตูมตูมกับเพื่อนฝูงไวเดียวกันโดยไม่สะทกสะท้านต่อสายตาผู้พบเห็นส่วนเรื่องการเรียนนั้นเขากำลังเรียนชั้นมัธยมสเป็นปีที่สอง ในโรงเรียนราศแห่งหนึ่งจังหวัดสิงห์บุรีมีโรงเรียนมัธยมอยู่แปดแห่งทั้งที่เป็นของรัฐบาลและของเอกชนนายเจริญจรุนรัฐเรียนมาแล้วทุกๆแห่งแห่งละสองเดือนบ้างสเดือนบ้างแต่ก็มีอยู่โรงเรียนหนึ่งซึ่งเขาเองก็จําชื่อไม่ได้เสียแล้วด้วยพอเข้าไปเรียนตอนเช้าตอนเย็นก็ถูกเชิญให้ออกทั้งนี้เพราะหนางเมาส์ ได้ตามมาราวีโดยไปเล่าให้ครูใหญ่ฟังถึงกิติศัพท์และวีรกรรมของเขาตั้งแต่สมัยอยู่โรงเรียนประถมจนถึงมัธยมในว่าจะแก้แค้นที่เขาเป็นต้นเหตุให้ลูกสาวของนางต้องอับอายขายหน้าข้างฝ่ายครูใหญ่ผู้ซึ่งไม่ได้ถือคติว่าเย็นเหมือนฟักหนักเหมือนหินจึงเชิญให้เขาออกโดยที่ฟังความข้างเดียว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 ความที่ยายเป็นคนประหยัดแม้การพูดการจาก็ต้องประหยัดถ้อยคําเหตุนี้ยายจึงใช้ไล่ออกแทนถูกเชิญให้ออกเพราะประหยัดคํากว่าจะเป็นอะไรไปเล่ายายถ้าถูกเชิญให้ออกอีกเราวนรอบสองก็ได้หนุ่มน้อยไม่คุ้นกับคําไล่ออกทั้งไม่เคยคิดอยากจะคุ้นพ่อทีพ่อทีไอหนู เองไม่ต้องพูดยายบกไม้บกมือเมื่อฟังคำของหลานแม้เขาจะโตเป็นหนุ่มแล้วแต่ยายก็ยังเรียกไอ้หนูด้วยความเคยชินก็ทาไม่พูดแล้วยายจะรู้หรือว่าผมคิดยังไงหลานชายแยง้งยายไม่อยากรู้ว่าเองจะคิดยังไงถึงรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะเอง ไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านเขาคนอายุ8ปว่าถ้าคนเราเหมือนกันหมดก็ยุ่งสิครับเช่นถ้าทุกคนเหมือนผมประเทศไทยก็จะมีแต่คนไม่ดีหรือถ้าเหมือนยายก็จะมีแต่คนดีมันก็ไม่ตื่นเต้นต้องให้มีคนดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไปออรู้เหมือนกันหรือว่าตัวเองไม่ดีนะยายพูดเยอะเยะ รู้สิครับก็คนเขาสนเสริญกันทั้งบางผมไม่รู้ก็แย่ละ่ะถึงผมจะไม่ดีแต่ก็ฉลาดนะยายหนุ่มน้อยอุตสาคุยถ้าฉลาดจริงคงไม่เรียนมัธยมสาเป็นปีที่สองหรอกหนาไอ้หนูยายขัดคอแต่ผมว่ายังดีกว่าเรียนมัธยมสองเป็นปีที่สามนะครับหรือว่ายายจะให้ผมเป็นอย่างนั้น จะได้กลับไปเรียนมัธยมสองอีกสองปีหลานชายท้าอย่าเลยไอหนูประเดี๋ยวชาวบ้านจะเอาไปนินทาได้ว่าหลานใหญ่จ่างโง่ยายอายเขา็นะจะอายไปทำไมละยายจ่าเราไม่ได้ขอข้าวใครกินนี่นะหนุ่มอายุ16ว่าแต่ยายว่า ขอข่าวเขากินก็ยังน่าอายน้อยกว่าถูกว่ามีหลานโง่จริงๆนะไอ้หนูใครมาว่าเองอย่างนี้ยายเจ็บใจเลือกเกินแปลว่ายายรักผมมากเลยไม่อยากให้ใครมาว่าผมอย่างนั้นใช่ไหมครับใครบอกเองละ่ะที่ยายเจ็บใจ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 ทุกคนต่างก็รักตัวเองด้วยกันทั้งนั้นหรือว่าเองรักคนอื่นมากกว่าหนุ่มน้อยไม่ตอบด้วยไม่รู้จะตอบว่ากระไรคนอายุแปดสจึงถือโอกาสเทศนอกธรรมาธิปรดคนเป็นหลานว่าเมื่อเรารักตัวเองเราก็ต้องเมตตาตัวเองเรารักสุขเกลียดทุกข์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 ลองยายพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าจะต้องรู้ความลับของเขาแน่ความลับที่เพิ่งทำมาสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองยายพูดเรากับว่าผมไปทำความเดือดร้อนให้ใครเขาอย่างนั้นแหละหลานชายแข็งใจพูดบางทียายอาจไม่รู้เรื่องนี้ก็เป็นได้ก็เองทำหรือเปล่าล่ะยายย้อนถาม ผมไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนไม่ว่าคนหรือสัตว์อย่างจะมาปากแข็งอีกคนอย่างเองนะต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาถึงจะยอมจำนนไอ้หนูเองบาปมากนะรู้ตัวหรือเปล่าบาปเรื่องอะไรครับก็เองผิดศีลตั้งสองข้อตายไปต้องตกนรก ข้อไหนบ้างครับหนุ่มน้อยแซงถามข้อหนึ่งกับข้อสีผมจำไม่ได้แล้วข้อหนึ่งว่ายังไงข้อสีว่ายังไงยายช่วยทบทวนความจำให้ผมหน่อยเขาตั้งใจยัว่วปานาติปาตาเวระมณีกับมุสาวาทาเวระมณีต้องให้แปล อ, อีกไหม ยายรู้นะว่าเองรู้แต่ในเมื่อแกล่งทําเป็นไม่รู้ยายกดจะบอกเสยเลยว่าเองบาปที่ฆ่าสัตว์กับพูดปดยายรุกด้วยเห็นเป็นโอกาสผมไปฆ่าใครพูดปดยังไงคนเป็นหลานยังไม่ยอมจำนนยายรู้สึกรำคาญที่หนุ่มน้อยพูดเลี่ยงไปเลี่ยงมาจึงเล่าความจริงให้ฟังว่าเมื่อวาน ตาชุบแกมาฟ้องเรื่องที่เองไปฆ่าไอ้โต้งตายเห็นว่าแกรักไก่ตัวนี้มากเลยจะไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านให้เอาเรื่องกับเองยายไม่ได้บอกหรอกว่าได้ขอร้องไหนชุบไม่ให้ไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านพร้อมกันนั้นก็ได้จ่ายค่าชีวิตไอ้โตง้งไปเป็นเงินถึงสองบาททั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อจะรักษาหน้าให้หลานชาย ซึ่งเท่ากับรักษาหน้ายายเองด้วยครั้งแรกในชุบเสนอราคาค่าตัวเจ้าโต้งไว้สูงถึงสามบาทยายต้องต่อรองราคาอยู่ถึงสองชั่วโมงแกจึงยอมลดให้ด้วยความไม่เต็มใจหากไม่ห่วงว่าจะถูกเมียด่าเพราะกลับบ้านค่าแล้วแล้วก็แกจะไม่ยอมลดให้แม้แต่สตางแดงเดียว หนุ่มน้อยหน้าซีดลงไปถนัดเมื่อได้ยินว่านายชุบจะไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านความที่ไม่อยากเสียหน้าจึงขอร้องคนเป็นยายว่ายายช่วยไปพูดกับแกหน่อยสิครับอย่าให้แกไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านไม่เช่นนั้นอยากจะต้องถูกคนเขาหนินทาว่าเลี้ยงหลานไม่ดีคําขอร้องนั้นก็คือคําขูดีๆนั่นเอง ่างเขาเถิดหลานใครเขาจะนินทาว่าร้ายยังไงยายไม่ถือสารอกยายจะไม่หวั่นไหวในโลกธรรมอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นนินทาหรือสรรเสริญทุกหรือสุขคนอายุเจ็ดรอบตั้งใจแกล้งคนเป็นหลานโอ้โหนี่ยายบรรุแล้วหรือนี่ ไงบรรลุเร็วจังแต่กี้ยังเป็นปุถุชนอยู่เลยเผลอแผลบเดียวเป็นพระอระหันไปเสีแล้วว่าแต่ว่ายายเป็นพระอระหันแบบไหนครับหันซ้ายหรือหันขวาแม้ที่อยู่ในภาวะหน้าสิวหน้าขวานหากหนุ่มน้อยก็อดซิไม่ได้ที่จะยั่วคนเป็นยายเมื่อถูกหลานยั่วยายจึงยอกย้อนให้ว่าถ้าอหันแบบนั้น ก็ไม่ใช่ยายหรอกจำไม่ได้แล้วหรือเวลาที่ถูกยายตกนะ่ะหน้าเองหันไปทางซ้ายทีขวาทียายขอทีเถอะเรื่องเก่าอย่าเอามารื้อฟื้นทางที่ดียายไปบอกตาชุบเธอว่าอย่าเอาเรื่องกับผมเลยนึกว่าสงสารเด็กตาดำๆสักคนหนึ่งเองไม่เด็กแล้วนะไอ้หนู โตเป็นหนุ่มแล้วเละยายก็ขอร้องเองว่าอย่าได้แก่ผ้าเล่นน้ําเหมือนแต่ก่อนอ้ายชาวบ้านชาวช่องเขาบางอายทําไมก็ผมทําอย่างนี้มาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นแต่เอาเถอะพอเห็นแก่ยายผมจะเลิกทําอย่างนั้นแต่ต้องรอให้มีเมียซะก่อนนายายนะใครเขาจะมาเป็นเมียเองเย่ยว่าแต่คนเลย ยายว่านังด่างกับหนังดำมันก็คงไม่อยากให้เองเป็นผัวแม้แต่หมาก็ยังเมินยายเยอะเย้ยถากถางแม้ยายอย่าดูถูกผมอย่างนั้นสิครับรูปลอยอย่างผมนะ่ะสาวใดได้เห็นก็ต้องเก็บไปฝันทุกคนนั่นแหละฝันร้ายนะสิเขาอาจจะนึกว่าเปรตมาขอส่วนบน ยายแล้วก็ไม่เคยสรรเสริญผมเลยให้ตายสิรู้อย่างนี้ไม่เกิดมาเป็นหลานยายหรอกนุ่มวัย16หรู้สึกน้อยใจครั้นนึกถึงเรื่องที่นายชุบจะไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านจึงชวนผู้เป็นยายว่ายายผมว่าเราไปบ้านตาชุบ ก, กันดีกว่าไปเดี๋ยวนี้เลยนะยายนะไปทำไมยายไม่ชอบไปบ้านคนอื่นก็ไปพูดขอร้อง ไม่เหตุแกเอาเรื่องกับผมนะสิครับยายช่วยผมหน่อยนะไม่รู้ป่านนี้แกไปหาผู้ใหญ่บ้านหรือยังอาจจะไปแล้วก็ได้เอ็งเห็นจะตกที่นั่งลำบากละคราวเนี้ยยายแกล้งขู่ครั้นเห็นหน้าของหลานซีดลงซีดลงก็ให้นึกสงสารจึงถามว่าทำไมเอ็งไปฆ่าไก่ของแกละ่ะ ไอ้หนูผมไม่ได้ฆ่าครับยายนี่ผมพูดจริงๆนะสาบานก็ได้ยายสอนกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าไม่ให้สบดสาบานยายแย้งเสียงเรียบครับไม่สาบานก็ได้แต่ผมไม่ได้ฆ่าไอ้โต้งจริงๆไม่เชื่อถามเพื่อนผมดูก็ได้เขาหมายถึงนายจุกกับนายโก้ผู้ซึ่งถูก และตัดโกะไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่อายุครบ13าโก็ถ้าไม่ได้ข่าเล่าตาชุบแกเอาอะไรมาพูดหรือว่าแกมาหลอกเอาเงินยายเปล่าๆยายชักไม่แน่ใจเงินค่าอะไรครับเมื่อถูกถามยายจึงรู้ตัวว่าได้พูดในสิ่งที่ไม่ต้องการให้หลานรู้ความลับแตกอีกจนได้ขอชีวิต ไก่ของแกน่ะสิยายบอกความจริงเพราะไหนๆก็เผลอปากพูดออกไปแล้วหลานชายรู้สึกโล่งอกขณะเดียวกันก็รู้ว่าถูกยายหลอกให้ใจเสียจึงต่อว่าต่อขานแม่ยายไม่น่าหลอกผมเลยหลอกเรื่องอะไรหรือยายถามซื่อแต่หลานชายรู้ว่าไม่ซื่อ ก็เรื่องตาชุบนะสิเล่นเอาผมใจคอไม่ดีเลยนี่ถ้าเกิดผมหัวใจวายตายแล้วก็ยายจะว่ายังไงคงไม่ว่ายังไงหรอกตายก็ฝังยังก็เลี้ยงยายพูดเสียงปกติทำไมยายถึงไม่บอกผมสิตั้งแต่แรกล่ะครับเขาถามอีกจะบอกทำไมคนอย่างเองต้องหลอกสิให้เค็ด คราวหน้าคราวหลังจะได้ไม่หาเรื่องเดือดร้อนมาให้อีกตกลงยายเสียเงินให้แกไปเท่าไรครับตั้งสองบาทนะแต่แรกแกจะเอาสามบาทยายนั่งต่อแล้วต่ออีกจนแกกินละมุดหมดไปหนึ่งจานน้ำอีกครึ่งขันถึงได้ยอมลดให้ก็เอิงว่า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 ใครจะชนะเอาละเอาละ่ะไม่ต้องพูดเย่นเยอะไหนลองเล่ามาสิว่าเองไม่เด็กค่ะแล้วทำไมแกถึงมาู่อย่างนั้นเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อตอนบ่ายวานนี้เจ้าจุกกับเจ้าโกะมันชวนผมไปดูเข้าตอนไก่ที่บ้านตาเสาผมเห็นว่ามันง่ายดีก็เลยลองทำดูบ้าง คำบอกเล่านั้นฟ้องอยู่ในตัวว่าเขาหนีโรงเรียนอีกตามเคยแล้วเองทำยังไงยายซักไม่สนใจเรื่องหลานหนีเรียนเพราะจินเส็แล้วผมก็ทำอย่างที่เห็นพวกผู้ใหญ่เขาทำกันนั่นแหละคือจับไอ้โต้งมาผ่าท้องเอาตะขอเกี่ยวไส้มันออกมาแล้วตัดทิ้งทั้งพวงเลยจากนั้นก็เย็บเอาน้ำมันยางราดตรงรอยเย็บ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 แกก็พูดถูกแล้วว่าเองข่ะไก่แกตายผมไม่ได้ฆ่านะครับมันตายเองไอ้โต้งมันใจสาะแค่ผ่าท้องเอาไส้ออกมาตัดทิ้งก็ต้องตายด้วยเขาย้อนความผิดไปให้ไอ้โต้งย่ายจะทํากับเองอย่างนั้นบ้างเอาไหมจะผ่าท้องแล้วควักไส้ออกมาให้หมด ดูสิว่าเองจะตายหรือไม่อย่าเลยยายผมยังไม่อยากถูกตอนประเดี๋ยวจะไม่มีลูกหลานไว้สืบต่อเผ่าพันธุ์ชายหนุ่มปฏิเสธอย่างนิ่มนวลเอาละเอาละ่ะไหนๆยายก็เสียเงินไปแล้วเองจะต้องรับผิดชอบเงินจำนวนนี้ต้องหามาคืนยายให้ได้พรุ่งนี้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 ที่นั่นคนเยอะตีห้าก็ขายหมดจะได้กลับมาทันโรงเรียนยังไงล่ะครับครับนี่ถ้าผมเลือกเกิดได้จะไม่ยอมเกิดเป็นหลานใหญ่จ่างเด็ดขาดลำบากตลอดชาติเลยคนอายุ16บบ่นอุก